Book 2 62 <or> 2สิสองการตั้งคำถามหนึ่งเสนอคำถามหนึ่งเรียนเล่าเนักเรียนเรียนมากไหม ไม่พวกเขาเรียนน้อยไหนที่เลโอเลตถามสเปรอร์คุณถามคำถามคุณครูบ่อยไหมสเปรอร์คุณชิดเลี้ยงกันไม่ครับผมถามท่านไม่บ่อยไงฉันสเปรอร์เขาไม่ชิดตอบกลับ วช่วยตอบกลับด้วยครับวผมตอบกลับย้ายสวาทำงานไปเขากำลังทำงานอยู่ใช่ไหมไปฮใช่ครับเขากำลังทำงานอยู่ ย่าฮันทำงานลีนนูมาอัมเมคุณจะมาไหมคอมเมย์ <Come I. S 2> ครับเรากำลังจะมาเร็วเๆนี้ย่าวิคอมเมอร์อมลิทอยู่ปุคุณอยู่ในเบอร์ลินใช่ไหมครับ ป่วยด้วยแบร์ลินครับผมอยู่ในเบอร์ลินเย่ย้ายป่วยแบอร์ลิน